ท่านพระเทราชพระเทราชสมีท่านเจ้าคุณพระราชนิพนธ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนและนักเรียนนักศึกษาทุกคนดังที่ท่าน และทวนฟีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวเปิดงานปรารกเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนในขณะนี้รัฐบาลได้ทาเป็นวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติแปลว่า เรื่องสำคัญระดับต้นๆที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเรื่องคุณธรรมได้ออกมาเป็นแผนแม่บทโดยผ่านมติคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วโดยขอให้ทุกภาคส่วน ได้ช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมให้กับประชาชนคนไทยสี่เรื่องด้วยกันสี่เรื่องใหญ่ๆเมื่อกี้เราก็ได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วก็คือเรื่องพอเพียงมีวินยัยสุดจริตจิตอาสา ครูพระสอนศีลธรรมต้องช่วยกันอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยทั้งสี่ประการหนึ่งพอเพียงสองมีวินยัยสามสุจริตสี่จิตอาสา ในสี่ข้อนั้นเรื่องพอเพียงเราจะพูดกันในวันนี้เรื่องวินัยหมายถึงการประพฤติปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะที่ทำให้เกิดความงดงามตามปกติเรารักษาสีลห้า รักษาศีลแปดสำหรับคฤรืนหันแต่ศีลห้าและศีลแปดไม่เรียกวินยัยพระสงฆ์รักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดเราเรียกวินยัยเพราะอะไร วิชาที่เกี่ยวกับวินัยในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีวินัยบัญญัติเป็นเรื่องศีลสิกขาบท227ข้อแต่ไม่มีวินัยสำหรับขรือหันในหลักสูตรของเรา มีขหิปฏิบัติพูดตรงนี้เพื่อให้เห็นเจตนารมณ์ว่าอะไรที่ไม่มีเขาอยากใส่เข้าไปเรายังไม่ค่อยมีวินยัยอยากจะฝึกให้คนไทยทั้งประเทศมีวินยัยเรายังไม่ค่อย เพียงพอพอใจกับความสุจริตโปร่งใสของบ้านเมืองสถิติเรื่องความสุจริตโปร่งใสใน t r a n s ร a r e n c y Index ดัชนีความโปร่งใสของประเทศเราเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศทั่วโลกเนี่ยเราอยู่ระยะค่อนข้างไปปลายความสุจริตมันไม่ได้อยู่ตน้นต้น โลกเขาจัดอันดับอย่างนั้นเรื่องของจิตอาสามันหายไปเรื่อยๆ ย, ยิ่งพัฒนาเศรษฐกิจคนยิ่งเห็นแก่ตัวมือใครยาวสาวได้สาวเอาก็ต้องปลูกฝัง เป็นคุณธรรมที่จะแก้ปัญหาของชาติเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและวิถีชีวิตเรื่องคุณธรรมอย่างไรเราจะพูดกันในวันนี้เรื่องวินัยหมายถึงระบบการประพฤติปฏิบัติที่เหมือนเหมือนกัน ทำไมศีล ห, ห้าจึงไม่ใช่วินยัยสำหรับชาวพุทธพระคุณเจ้าเคยคิดแต่ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเราเป็นวินยัยหลักของวินัยมีอย่างนี้ครับวินัยเป็นข้อฝึกหัดปฏิบัติที่ ทุกคนต้องทําเหมือนๆกันหมดท่านเห็นวินัยทหารไหมละ่ทะทหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกันสวนสนามเนี่ยร้อยคนพันคนจะมีวินัยเดินพร้อมกันเลี้วพร้อมกันเกิดความงดงามคณะสงฆ์พระภิกษุ มาจากชนชั้นวันณะต่างๆกันในประเทศดีเดียเนี่ยสี่วัณณะกษัตริย์พลางมแท้สุดพื้นฐานทางความประพฤติไม่ตรงกันความเชื่ออะไรก็ไม่ค่อยตรงกันแต่เมื่อมารวมเป็นคณะสงฆ์จัดระบบความประพฤติใหม่ปรงผมเหมือนกันหมด ผมจีวรเหมือนกันข้อปฏิบัติศสองร้อยี่สิบเจ็ดเหมือนกันเกิดสีละสามัญญาตามีศีลเสมอกันรพกันทุกรูปมีเศสองร้อยี่สิบเจ็ดเหมือนกันทําผิดก็ต้องปรงอระบาดไม่ได้มีการยกเว้นว่าข้อนั้นข้อนี้ไม่ปฏิบัติ ส่วนปฏิโภคก็ต้องครบในขณะที่เวลาญาติโยมอาราธนาศีลห้าอนุญาตให้ใช้คำว่าวิสุงวิสุงรักนัดถายะแยกกัน ร, รักษาในห้าข้อขาดข้อใดข้อหนึ่งศีลไม่ขาดเพราะฉะนั้น ้าลัทนาศีลไปแล้วคนนี้อาจจะเหลือห้าข้อเต็มคนนี้สองคนนี้สามคนนี้หนึ่งหรือไม่มีเลยถ้าบังคับให้ทุกคนต้องมีศีลห้าเหมือนกันขาดไม่ได้อย่างที่เรารณรงค์เรื่องหมู่บ้านรักษาศีลห้าห้าข้อไม่ต้องวิสูงแยกกันรักษาหนึ่งสองสามข้อใดข้อหนึ่ง มันจะกลายเป็นวินัยของชาวพุทธทันทีฝึกให้ทุกคนเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่ใช่ศีลห้าก็ไม่ใช่ศีลแปดก็ยังไม่ใช่ขีหีปฏิบัติก็ยังไม่ใช่แต่ถ้าเอามารวมกันแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่เห็นตรงกันว่าจะต้องมีถ้าเป็นชาวพุทธต้องมีลักษณะอย่างนี้ เราเรียกวินัยของชาวพุทธมีวินัยวินัยจราจรทุกคนจะต้องหยุดที่ไฟแดงต้องไปเมื่อไฟเขียวชะลอเมื่อไฟเหลืองอันนั้นเป็นข้อปฏิบัติเหมือนกันหมดจึงเป็นวินัยแต่ถ้าคนไม่เชื่อฟังมันก็ฝ่าฝืนระเบียบวินัยจราจรเกิดอุบัติเหตุเอยอะด้วย เพราะฉะนั้นว่าคำว่าวินัยหมายความว่าเมื่อมีข้อฝึกหัดปฏิบัติที่เป็นกฎหมายบ้านเมืองหรืออะไรต่างๆให้มีการถือปฏิบัติเหมือนกันหมดอย่ามีข้อยกเว้นถ้าเราเน้นเรื่องระเบียบวินัยอย่างนี้ตั้งแต่ในโรงเรียนเข้าแถวพร้อมกันเลิกพร้อมกันในอภิธานิยธรรม กลายเป็นวินัยทันทีมันประชุมกันเนืองนิดพร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกประชุมพร้อมกันทำกิจที่ควรทาถ้าเราประชุมพร้อมกันโดยทุกคนต้องทำเลิกพร้อมกันอย่างวันนี้ทำกิจที่ควรทำพร้อมกันมันจะเป็นวินัยของพวกเราเพิ่มเข้ามาความสำนึกในวินยัยถ้าท่านทำสำเร็จ ให้โรงเรียนของท่านเนี่ยมีวินัยเนี่ยไม่ต้องกี่ข้อหรอกท่านสวดมนต์พร้อมกันหรือถึงวันสำคัญต้องไปเวียนเทียนต้องอะไรต่างเหมือนกันเนี่ยไม่กี่อย่างนะมันจะแสดงออกถึงความพักพร้อมขออนุญาตเอ่ยถึงเด็กนักเรียนที่มาเข้าแถววันนี้ ตอนรับรัฐมนตรีก็ดีหรือไรก็ดีจากเจุลมณีศรี ส, สกเกตจุดเด่นของโรงเรียนอกาการหนึงอยู่ที่วินัยเด็กนักเรียนเนี่ยเขาจะมีวินัยถ้าให้เขามาทำหน้าที่อะไรเขาจะทำจริงๆได้ทราบว่าวันนี้ถ้าไม่มีชื่อก็ไามา่ให้ลงทะเบียนด้วยนั่นคือความมีวินัยนะ่ะเรื่องสุจริต ก็เข้าใจกันดีว่ามันมีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมหาวิทยาลัยมหาจรรยาลงกรและวิทยาลัยได้ร่วมกับปปชทำหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องนี้ในโรงเรียนในสถานศึกษาผมในฐานะอธิการบดีได้แต่งคำภีเทศเรื่องสุจริตธรรมกถาให้ปปชนำไปพิมพ์เผยแพร่หกมื่นคะำีร์่มื่นชุดเนี่ย แล้วก็มหาเถรมคบได้มีมติตามคำขอของปปชว่าให้แสดงให้วัดทั่วประเทศจัดแสดงพระธรรมเทศนาสุจริตธรรมกาถาเนี่ยในวันคล้ายวันพระราชาสมิพนม์หรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเราก็ต้องรณรงค์ให้คนเนี่ยสุจริตตั้งแต่นักเรียนก็คือไม่โกงข้อสอบ เป็นต้นนะจิตอาสาจิตอาสานั้นเป็นเรื่องของรักบูณะคนมักเห็นแก่ตัวครับเอาตัวเองมาก่อนทำอะไรก็เพื่อประโยชน์ตนอันตตาประโยชน์คนอื่นมาทีหลังแต่จิตอาสานั้นหมายถึง คำหนึ่งถึงประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นกลายเป็นอุปยัตตประโยชน์ส่วนรวมเราจะต้องสอนให้เด็กเนี่ยมันคิดไกลกว่าประโยชน์ส่วนตนประโยชน์คุณพ่อประโยชน์คุณแม่ต้องเป็นประโยชน์ส่วนรวมทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัดทั้งประเทศทั้งโลกต้องคิดไกลขนาดนั้น เอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยคือคุณธรรมที่พึงประสงค์และรัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติที่พระคุณเจ้าทั้งหลายต้องช่วยกันนำไปปลูกฝังให้กับประชาชนผมได้มีส่วนรับรู้มาตั้งแต่ต้นเพาผมเป็นกรรมการคุณธรรมแห่งชาติฉะนั้นก็มีส่วนในการช่วยกันคิดช่วยกันเสนอ คุณธรรมเหล่านี้และเข้าใจที่มาที่ไปในสี่คำนั้นพอเพียงมาอันดับหนึ่งและเหตุที่พูดถึงพอเพียงอาจจะมาจากหลายมิติทั้งในการที่เราลำลึกนึกถึงพระองค์ท่านผู้ ให้แนวปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาติไทยคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเดี๋ยวนี้เขาจะใส่คำว่าบรมนาถบพิตรไปด้วยถ้าไม่อยากไม่บอกว่ารัชกาลที่เก้าก็บรมนาถบพิตรทรงอบรมสั่งสอนปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประเทศไทยเรานำมาเป็นคุณสมบัติหรือคุณธรรมพื้นฐานข้อแรกเลยพ่อเพียงหมายความว่าอย่างไรและมันทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไรเมื่อกี้ตั้งหัวข้อไม่ตรงกับจดหมายในบทผมนะีในกำหนดการก็อย่างหนึ่งประกาศก็อย่างหนึ่ง เอาเป็นว่าศาสตร์แห่งพระราชาที่ท่านพูดเนี่ยที่โคศกพูดเนี่ยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่ก็ปรับกันสดๆร้อนๆแต่ทั้งหมดผมจะพูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันหมดศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยที่จริงก็คือความพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปถมบรมมราโชวาดว่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในนิสสกานน้นมีอยู่นะท่านไปดูสิในหลวงราชการที่กล่าวทรงพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงครั้งแรกเมื่อไหรเอาไปถามนักเรียนอย่างได้ที่ไหนเมื่อไหร่ พูดมีกระแสรพระราชสำหรัดหรือบรมราโชวาดเรื่องนี้ที่มหาวิไลกเกษีศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพระบรมราโชวาดหรือพระราชสหลัดหลังมอบแก่บัณฑิตในปีสองพันห้ารอยสิบเจ็ดหลักใหญ่ใจความคือทรงประสงค์ให้ พัฒนาประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ประชาชนพอมีพอกินพอใช้ซึ่งต่อมาเรียกว่าพอเพียงในพระราชดำรัสนนั้นเป็นพอมีพอกินพอใช้และพัฒนามาเป็นคำว่าพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคือ subsistence economy โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้สรุปปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านไว้ว่าเป็นปรัช ญ, ญาที่ชี้ถึงแนวทางนำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตรงทุกระดับนี่ก็คือว่าตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนไปถึงประเทศโดยให้พัฒนาและบริหารประเทศไปในทางสายกลางคำว่าทางสายกลางนี่ก็คือมัชิมาปฏิปทาท่า น, นจะเป็นคำที่เชื่อมกับพุทธธรรมเป็นทางสายกลางในการดำรงชีวิตที่ไม่สุดโตก ุนโตมคืออะไรและเอาไปใช้ในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์คาถามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าพอเพียงมันช่วยให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไร คนมักจะมองเศรษฐกิจพอเพียงว่าสมถะสงบส ง, งียมนกน้อยทำรังแต่พอตัวไม่ต้องไปแข่งขันกับโลกไม่ต้องคำนึงถึงโลกาภิวัตน์แล้วจินกลายเป็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องหนึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจกของรัฐบาลเป็นอีกเรือเ่องหนึ่งปัจจุบันนะครับรัฐบาลปัจจุบันต้องการที่จะก้าวให้ทันโลกาภิวัตน์ประโยคสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยมันก้าวกระโดดไปทันสหรัฐเกาหลีญี่ปุ่นเลยคิดคำว่าไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นมา ผมถามว่าในนโยบายพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 มีที่มีทางให้ปรัชญาเศ ร, รษฐกิจพอเพียงอยู่ตรงไหน <c oughs> เราต้องคำนึงถึง <c oughs> บริบทคำว่าบริบทคือสถานการณ์แวดล้อมในประเทศไทยและนอกประเทศ ว่าปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงจะไปอยู่ในจุดไหนมิฉะนั้นเราก็จะฟังกันหลายเรื่องแม้กระทั่งประเทศไทย4ี่จุดศูนย์โดยนึกไม่ออกเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยกันได้อย่างไร เพราะเรามักจะนึกว่าเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่ทฤษฎีใหม่ทำไร่ไถนาปลูกพืชคืออะไรครับเมื่อพระคุณเจ้าจะนำศาสตร์แห่งพระราชาไปช่วยกันสอนตนเองจะต้องรู้และไม่หลงทางเพื่อตอบโจทย์นี้ผมจะค่อยๆพูดไปนะครับ เรื่องแรกก่อนผมบอกแล้วว่าเราจะพูดเรื่องอะไรจะต้องพูดว่ามันใช้อะไรในสถานการณ์ไหนในสมัย2517อาจจะพูดในสถานการณ์หนึ่ง2อ6 0าอาจจะอยู่ในสถานการณ์หนึ่งในยุคประเทศไทย 4.0 ศมันหมายถึงอะไร แล้วปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเข้ามาเติมให้เต็มได้อย่างไรก่อนอื่นครับทำความเข้าใจกับประเทศไทย 4.0 ก่อนเกิดมาจากเหตุการณ์ในปี2554 6ปีที่แล้วครับเมื่อธนาคารโลกได้จัด อันดับประเทศไทยในระดับพัฒนาเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอีกหนึ่งขั้นเกรดในการพัฒนาเศรษฐกิจในโลกนี้มันมีสี่ขั้นครับประเทศไทยโดยธนาคารโลกนี่เขาเลื่อนอันดับให้เราจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางและดับสูง upper middle income middle income country ครับโดยแบ่งประเทศธนาคารโลกทุกวันนี้นะปัจจุบันที่เรากำลังนั่งหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยธนาคารโลกแบ่งประเทศเป็นสี่กลุ่มครับกลุ่มที่แย่ที่สุดอยู่อันดับที่สี่ครับดูจากข้อสี่ขึ้นมาครับ กลุ่มประเทศมีรายได้ต่ำเช่นเนปาลเกาหลีเหนืออัฟกานิสถานเอธิโอเปียเอ่ยชื่อมาแล้วก็คือประเทศยากจนหวังว่าอย่าไปเกิดประเทศนั้นนะครับสูงขึ้นมาครับกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่างหรือระดับต่า ใกล้บ้านเราเยอะเลยครับอินเดียสีลังกาเวียดนามนหลายประเทศในอาเซียนเราเคยอยู่ในกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่สามหกปีที่แล้วธนาคารโลกโยกระดับเราขึ้นอยู่ในกลุ่มที่สองสูงขึ้นมาอีก เป็นประเทศมีรายได้ปานกลางระดับสูงเราไปอยู่ในกลุ่มรัสเซียจีนมาเลเซียไทยรัฐบาลไทยจึงตั้งเป้าหมายว่าอีก15หรือ20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเลื่อนไปอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งให้ได้อีก 15-20 ปีนะครับได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่เขาวางแผนเอาไว้ เป็นปกลุ่มที่สูงที่สุดอยู่ในโลกนี้คือรวยที่สุดเรียกว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง high income countries เช่นสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคปโปร์อยู่ในกลุ่มนี้ครับมาเลเซียนี่จ่อจะขึ้นกลุ่มนี้อยู่แล้วเขาเคยประกาศว่าในปีคศออ2020มหาธีโมหม m m นะครับ เขาประกาศตั้งแต่ประเทศมาเลเซียเข้าสู่กลุ่มที่สองก่อนเราหลายปีว่าในปีคศ2020เนี่ยมาเลเซียจะอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งเหลือไอีก ป, ปีครับปีนี้17 2017อีกสามปีคอยดูกันประเทศไทยจะเดินไปถึงกลุ่มที่หนึ่งนี่อีกสิบห้าถึงยี่สิบปีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปถึงนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีกับดักการที่จะเลื่อนไประหว่างประเทศไทยจากกลุ่มที่สองไปกลุ่มที่หนึ่งมันมีกับดักฉะนั้นประเทศไทยจึงคิดวิธีการให้ไปถึงกลุ่มที่หนึ่งรายได้สูง ด้วยวิธีการที่เรียกรวมๆว่าประเทศไทย 4.0 4.0 ไม่ได้หมายความว่าเราถึงนะครับเรายังไม่ถึงทำไปอีก15หรือ20ปีเราจึงจะขึ้นถึงประเทศไทยกลุ่มรายได้สูงโดยที่แบ่งประเทศไทยออกเป็นยุกยุกอย่างนี้ครับประเทศไทย 1.0 เป็นยุคเกษตรกรรมทำนาทำไร่ในอดีตนะประเทศเรามีชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติต่อมาครับเราเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นยุคเกษตรอุตสาหกรรมแทนที่จะปลูกสับปะรดขายสับปะรดอย่างเดียวเราใส่กระป๋องจับปลาทะเลมาทําปลากระป๋องเราเรียกว่ากเกษตรอุตสาหกรรม ต่อมาปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่ในยุคประเทศไทย 3.0 ครับทุกวันนี้อุตสาหกรรมหนักครับน้ำท่วมมหาจุลาเนี่ยถึงคอเนี่ยปี54ในปีที่ประเทศไทยได้ไเลืออ่อนดับนั่นแหละครับโดยธนาคารโลกปรากฏว่าโรงงานผลิตรถยนต์นะครับใกล้ๆเราของญี่ปุ่นชื่อญี่ปุ่นน่ จมน้ำเป็นพันพันคันรถยนต์เหล่านี้เป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมหนักที่เราส่งออกไปทั่วโลกแต่มันเป็นยี่ห้อของต่างประเทศเงินส่วนใหญ่ก็เลยเป็นของกระเป๋าไปเข้ากระเป๋าต่างประเทศไม่ใช่กระเป๋าเราเราได้แต่ค่าจ้าง ก, กับเงินเดือน แต่เงินไม่ได้เงินที่ส่วนใหญ่ที่ขายรถยนต์ไม่ได้อุตสาหกรรมอื่นก็แบบเดียวกันเราเป็นมือปืนรับจ้างเป็นลูกจ้างเขา 4.0 ต้องการให้เราเป็นเจ้าของกิจการเองเรื่องที่เราถนัดที่สุดและไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจทาของเราเองให้ได้ ทำงานเบาแต่ได้เงินน้อยไอ้ได้เงินมากไม่ใช่ทำงานํางานหนักแต่ได้เงินน้อยอย่างที่เป็นปัจจุบันเป็นมือปืนรับจ้างเขาเราทำงานเบาแต่ได้เงินมากคือทำอะไรเป็นลูกจ้างเขาสู้เป็นเจ้าของกิจการไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทดีกว่า รัฐบาลปัจจุบันก็เลยส่งเสริมให้คนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเรียกว่าสตาร์ทอัพจบมหาวิทยาลัยแล้วต้องไปเริ่มกิจกรรมกิจการของตัวเองเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมได้ผมไปพูดที่ไหนผมได้ยินอาจารย์เขาบ่นว่าลูกศิษย์เขาในมหาวิทยาลัยเรียนปีหนึ่งเนี่ยมีรายได้เดือนละห้ามืนบาท เรียนปีหนึ่งเนี่ยนะโดยการขายตรงคือทำสินค้าอะไรก็ไม่รู้แล้วขายตรงอะ่ะผ่านอินเทนอร์เน็ตเดือนละห้ามื่นมันมาเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งอาจารย์สอนมาตั้งหลายปียังไม่ได้ถึงนั่นเลยนี่เขาเรียกสตาร์ทอัพไปว่าเริ่มกิจการของตัวเองฉะนั้นเขาต้องการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น อย่างที่ว่า 4.0 เนี่ยเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงภายใน 15-20 ปีนับจากนี้ถามว่าเป็นไปได้ไหมคำตอบนะครับยากมากเพราะอะไรครับเขาวัดด้วยอะไรท่านรู้ไหมประเทศไทยจะไปสู่เป้าหมายได้นั้นเขาดูรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปี ถ้ารู้ไหมคนไทยทุกวันนี้มีรายได้ต่อปีเนี่ยเท่าไหร่ต่อคนเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะถ้ารายได้ต่อคนต่อปีสูงขึ้นกว่านี้อีกสองเท่าตัวเราถึงจะไปอยู่ในประเทศที่มีรายได้ระดับสูงตอนนี้ต่อปีเนี่ยนะครับคนไทยมีรายได้เฉลี่ย แสนกว่าบาทเดือนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยเป็นรายได้ขั้นต่ำนี่เนละเพราะถ้าเราเอาสา0ร้อยสี่ร้อเป็นฐานเนี่ยปีหนึ่งก็แสนสองแล ะ, ะเฉลี่ยทั่วประเทศคนเลยคนจนเอาเป็นว่าสองแสนบาทต่อคนต่อปีคนไทยเนี่ยนะผมผมพูดโดยประมาณแล้วกว่าจะเป็นประเทศที่มีรายได้เท่ากับคนสิงคโปร์เนี่ยมันเมื่อไหร่ครับ ฉะนั้นเขาก็บอกว่าให้ระวังนะวิ่งวิ่งไปเนี่ยมันจะตกสะพานนี่อยากจะให้ประเทศไทยมันมีไรายได้สูงอยู่ๆมันจะตกสะพานมันขาดเนีหัวทิ่มนะรถลดลถการรถยนต์แห่งการพัฒนาประเทศเนี่ยแล้วเคยตกมาคั้งหนึ่งท่านจําได้ไหมล่ะในยุคพวกท่านนี่แหละพวกเราเนี่แหละ ตอนนั้นเราวิ่งมาอย่างเร็วเลยนะครับดูจากอันนี้ก็จะเห็นเนศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยโตนะครับเจ็ดถึงแปดเอร์ซนต์ต่อปีเขาเรียกว่ารายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศนะใช้ภาษาเศรษฐกิจกันลวกันมันโตสูงมากเลยครับเจ็ปดเอร์ซนบางทีสิบเซแล้วอยู่ๆการพัฒนาในห้าสิปีของเราเนี่ยมันสูงมาเยนะอยู่ๆมันหัวทิ่มทันไหม หัวทิมหนึ่งลงเหวเลยในปีไหนรู้ไหมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองพันห้าร้อยสี่สิบเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยตกเหวครับลดไอค่าเงินบาทลอยตัวเนี่ยแลกดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์หรือหนึ่งเหรียญสหรัฐ เคยได้25บ้าบาทสมัยผมไปอเมริกาตอนโนสเนี่ย2ี่สบห้าบาทมันกลายเป็นหลังจากค่าเงินบาทลอยตัวตกลงมานี่นะในปีสีู่นย์หนึ่งดอลลาร์สี่สิบบาทส5สิบห้าบาทขึ้นไปถึงห้าสิบก็มีมันมีผลอะไรรู้ไหมเวลาตอนนั้นก่อนนั้นเราไปกู้เขามาเนี่ยกู้เงินมาลงทุนเนี่ยนะ หนึ่งดอลลาร์เราเอาเงินจ่ายแค่ยี่สิบห้าบาทพอค่าเงินบาท1อยตัวเราจะต้องคืนเป็นดอลลาร์เราไปซื้อดอลลาร์มาเราจ่ายสี่สิบห้าสิบบาทใช้หนี้กันสิบปีเลยครับตั้งแต่ปีสองร้อยสี่สิบถึงสองรห้าสิบเนี่ยอย่านึกว่านานนะครับตอนนี้หกสิบก็คือกว่าจะใช้หนี้หมดจริงๆเนี่ยสองพร้อยหสิบโดยประมาณเนี่ย เราทำงานฟรีเลยครับใช้นี่อย่างเดียวไม่ได้มีเงินเพิ่มเพราะเรากู้เขามา25บาทต่อดอลลาร์เราต้องไปใช้นี่4 0 5 0บาทต่อดอลลาร์กว่าค่าเงินจะมาอยู่ที่35บาทตอนนี้ตอน1ดอลลาร์ท่านคิดดูสิเราถอยหน้าถอยหลังเรียกว่าติด ก, กับดักของการพัฒนา ผมพูดอย่างนี้เพื่อให้พวกเราที่ทันนะครับในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยได้นึกภาพว่าพราะองค์ออกมาย้ําแล้วย้ํำอีกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงปีไหนครับถ้านไปดูนิสสกการหน่อยปีที่ในหลวงเน้นราชการที่เก้าเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงย้ําแล้วย้ําอีกปากเปลี่ยนปากแฉกปีสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดครั บ, ป 2, รบไปดูนิสสกการหน่อย ปีสี่สิบค่าเงินตกเศรษฐกิจดิ่งเหวคนไทยขวัญเสียสะพานมันมันขานดเนล่ยรถรถตกลงไปอะ่ะทั้งประเทศหันไปหาพ่อเลยทีนี้ไอตอนเลิมหลงและเลืองนี่มีความสุขีเอ อ, เ อ, อไม่เคยสนใจพ่อไม่เคยสนใจแม่พอเจอปัญหาร้องไห้เงๆ หันไปหาในหลวงเหมือนทุกวันนี้เราคิดถึงท่านใช่ไหมเพระองค์ก็จะมาสอนเลยเห็นไหมพวกเธอนี่ไม่เชื่อเราเตือนมาตั้งแต่217แล้วว่าให้ดูอยู่พอมีพอกิน พ, อ, พ, อ, พอใช้แล้วทำไมไปหลงละริงอย่างนี้ไม่รู้จักพอเพียงตอนนี้เลยต้องใช้นี่เขาหัวโตถ้ารู้จักพอเพียงแล้วจะไม่เป็นหนี้เป็นสินจะไม่ตกสถพานอย่างนี้ เราก็ได้สติกลับมาพอเพียงกันแล้วตอนนี้เอาอีกแล้วจะวิ่งเร็วอีกแล้วท่านไม่กลัวสะพานขาดรออยู่ข้างหน้าหรืออย่างไรการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงพัฒนาแล้วไม่ตกสะพานรถวิ่งไปได้เรื่อยแต่ถ้ามันต้องตกสะพานอีกรอบมันจะสูงกว่านี้แล้วเจ็บหนักกว่านี้ประเทศไทยอะ่ะ แล้วใครจะคอยเตือนพวกเราฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือมีระบบคุ้มกันป้องกันตัวเราเองตกก็ไม่ให้เจ็บมีร่มชูชีพมีอะไรหลายๆอย่างหนึ่งในร่มชูชีพที่จะช่วยเราให้ลอยตัวอยู่ได้คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือมีเบาะรองรับปัชญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประรปยัติเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อกี้สรุปให้ททเคนะครับในช่วง 2,529 ถึง30น่ยถึง240นี่ยนะ39เศรษฐกิจไทยเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของโลกท่านอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย GNP ผลิตภัณฑ์มวนลรวมของประเทศสูงมากถึงร้อยละเก้าต่อปี ผมเห็นบางปีเนี่ย 10% เขาเรียกประเทศไทยเป็นมิราโคออฟเอเชียสิ่งมหัศจรรย์ของเอเชียไปห้องกงไปสวิตเซอร์แลนด์ไปไหนเนี่ยนะครับร้านขายของในสวิตเซอร์แลนด์ร้านขายนาฬิกาแพงๆมีคนขายพูดภาษาไทยเพราะพี่ไทยหอบสตังไปซื้อกันไม่ว่าเล่นเลยเงินมาได้ง่ายเหลือเกินตอนนั้น และไม่เคยเก็บไว้เลยนะครับเดือนเดือนออกมาใช้หมดนึกจะทำบุญออกมาเลยสร้างโบสถ์สร้างวิหารพอเศรษฐกิจตกได้แต่เสาครับโบสถ์ไอเเเต็มไปหมดหรื อ, อกองยังหรือจะเจอเองก็ได้ขึ้นมาอย่างนั้นช่วงเศรษฐกิจตกนั่นนะครับโบสถ์ก็สร้างต่อไม่ได้ได้แต่เสาคอนโดนะครับขึ้นโอ้โหท่านเคยเห็นไหม ไปสะพานสาทร น, นะมีโกสตาวเวอร์ฝรั่งเขาเรียกโกสตาวเวอร์ขอคอยผีสิงสูง40กว่าชั้นนะครับอยู่ติดกับวัดยานวาเนี่ยครับสร้างไว้อย่างดีสวยเป็นแบบโรมันครับกลมๆเนี่ยเจอ IMF เข้าไปครับตอนนี้นะครับตั้งแต่ปี 40-60 20ปีผีอยู่ครับ ฝรั่งเรียกว่าโกสทาวเวอร์เป็นตึกผีที่สูงที่สุดในโลกครับตอนแรกนึกว่าสารพะภูมิใหญ่โตเหลือเกินนั่นแหละครับในตอนนั้นครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสรุปสภาวะเศรษฐกิจ ป, ป, ป, ประเทศไทยว่าในปีสามสมห้านสามเก้ายนะครับ ตอนนั้นข้างเงินบาทยังไม่ตกต่ำนะครับผมไปร่วมประชุมสัมมนาของสภาร์พา์เศรษฐกิจดีสังคมมีปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนคุยอยู่ไม่กี่ปีแล้วครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีสังคมก็มีปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนไม่เหลือเลยเลยทำไงครับ ถ้าดูนะครับ2กรกฎาคม2540รัฐบาลประกาศนโยบายลอยตัวข้างเงินบาทเป็นเหตุให้ข้างเงินบาท ล, ลดลงอย่างต่อเนื่องจากที่เคยมีราคาแลกเปลี่ยนที่25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็ลดไปถึง56บาทครับต่อ1ดอลลาร์สหรัฐในเดือนม ก, กราคมปี2541เนื่องจากประเทศไทยระยะ น, นั้นมีหนี้ต่างประเทศสูงถึง หนึ่งแสนล้านดอลลาร์ท่านเอาแสนล้านดอลลาร์คูณด้วยห้าสิบหกเข้าไปเนี่ยไหครับหรือคูณแต่เดิมมันยี่สิบห้าบาทเราไปกู้มาจ่ายยี่ิบหาบาทต่อเหรียญแล้วเราต้องจ่ายขึ้นอีกเท่าตัวนี่มันจะไม่ใช้นี่สิบปีได้อย่างไรท่านนี่คือความประมาทนี่คือตัวอย่างจริงๆเลยในประเทศไทยที่มีการพัฒนาไม่ยั่งยืน สาเหตุนะครับเกิดจากการกู้เงินจากต่างประเทศสมัยนั้นทำได้ง่ายเพราะประเทศไทยใช้ในโยบายเสรีทางการเงินที่เรียกว่าวิเทศ ธ, ธนกิจ international banking facility ตั้งแต่ 2,135 เป็นต้นมาส่งผลให้เงินทุนสามารถไหลเข้าออกได้อย่างสบายใครอยากจะซื้อที่ดินนะครับไปกู้เงินจากสิงคโปร์มา ได้ส่วนต่างได้ค่าคอมมิชชั่นได้อะไรต่างปันราคาที่ดินสูงขึ้นเกินความเป็นจริงเขาเรียกว่าเศรษฐกิจฟองสบู่เอาที่ดินไปค้ำประกันเพื่อกู้เงินจากธนาคาราเงินเงินธนาคารก็โดนเอาออกมาโดยพอจะยึดที่ดินอ่าวกายเป็นว่าที่ดินลกล้างว่างาเปล่ามันถูกปั่นราคาฟองสบู่ครับเอาละผมจะไม่พูดอะไรมากเพื่อจะเข้ามาเรื่อง เศรษฐกิจของเราและระบบเศรษฐกษิจของไทยที่มันเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าทุนนิยมเสรีครับ Liberal capitalism ใเน้นเรื่องการตลาดเรื่องโฆษณาสินค้ากระตุ้นให้เกิดความต้องการจะซื้อหรือบริโภคสินค้าและบริการเมื่อมีความต้องการคืออุปสงค์มากขึ้นอุปาทานมันก็ผลิตสินค้าก็เพิ่มมากขึ้นทาให้คนไทยเนี่ยฟุ่มเฟือยครับ ไม่รู้จักพอเพียงท่านึกออกอย่างพอเพียงเริ่มเข้ามาแล้วพอสินค้าเสรีนิยมนี่มันจะขายของได้มันต้องโฆษณานะลงทุนค่าโฆษณาไม่รู้เท่าไหร่พอโฆษณาแล้วคนอยากได้คนอยากได้มากก็ปั๊มสินค้าออกมาขายราคาสูงก็ยิ่งปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มผลิตออกมาไหนที่สุดครับล้นตลาดราคาดิ่งเหว ท่านรู้ไหมครับอะไรที่เจอแบบนี้ครับโฆษณากันเหลือเชื่อจนเราผลิตออกราคาสูงริ้วแล้วผลิตออกมาจนลดตลาดต้องขึ้นเฮลิอคอปเตอร์ปลุกเสกครับจากตุกคามรามาเทพครับนี่คือตัวอย่างเสรีนิยมครับใคร kh á kh á kh á, ใครค้า้าใครใครปลุกเศกปลุกเสกไม่มีการควบคุมและตอนนี้ไล่แลกลดแลกแกะแขมเอาไหยครับ สินค้าแบบที่ดินอื่นก็คล้ายๆกันนะครับราคามันไม่ตรงกับความเป็นจริงโฆษณากันผลคืออะไรครับเศรษฐกิจไทยในช่วงนั้นปีสามห้าสี่สูนย์เนี่ยเราสรุปว่าเป็นสังคมบริโภคนิยมคอนซูเมอร์ริซึมต้องการกำไรสูงสุดโฆษณากันเ็าเรียกบ้าระห่ำ กระตุ้นตันหาไม่รู้จบมุ่งบริโภคมากกว่าทํางานสำเริงสําราญสํารวยจนกระทั่งเด็กไทยเดี๋ยวนี้ทํางานหนักๆเป็นไหมครับงานหนักๆนี่ต้องเอาคนเพื่อนเพื่อนบ้านมานะครับมางานต่ำปัม๊มตามอะไรต่างๆคนใช้นี่คนไทยทำไหมละ่ะไม่ทาเราเป็นสังคมบริโภคมากกว่าทํางานเรียนหนังสือเอาจริงเอาจังไหม ไม่หาความรู้กันจริงจังไหมไม่ทางลัดหมดนะครับเสร็จแล้วก็มาเป็นเจ้าคนในชนเจ้าของบริษัทเหยียบขี้ไก่ไม่อ่อน่าห่วงไหมครับประเทศไทยแบบนี้มันเป็นเศรษฐกิจบนความฝันเศรษฐกิจฟองสบู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่องเตือนนะครับผมอยู่มหาจุฬาเนี่ยผมรู้ อย่าไปอยู่บนลักการปั่นกระแสสร้างกระแสบางปีเนี่เราอยากจะรับนิสิตมากเหลือเกินมีอยู่ช่วงหนึ่งนะผมจะบอกให้ช่วงช่วงใหม่ๆเรามหาวิทยาลัยอยากจะรับนิสิตเยอะเหลือเกินมาบีบผมอผมเป็นที่การบดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขารับนิสิตกันเยอะแยะหมดเรียนกันตำปัมตัแรงต่างทำไมมหาจุฬาไม่เอา ผมบอกไม่ได้มันไม่มีคุณภาพผมจะขอสร้างวางน้อยให้เสร็จก่อนแล้ววิยเขวิไลส่งไหนจะรับคารวะต้องสร้างให้เสร็จก่อนแบบนี้สร้างเสร็จแล้วผมจะเปิดไฟเขียวให้รับคารวะถ้าบ้านตัวเองยังไม่สะอาดแล้วจะไปรับแขกได้อย่างไรผมไม่ให้ครับถึงขนาดให้พระผู้ใหญ่ให้สมเด็จมาพูดกับผมให้ใจอ่อน ผมไม่หยอนมหาวิทยาลัยอื่นจบปริญญากันโหเรียกว่าเรียนปีหนึ่งสี่พันห้าพันนะครับมหาวิทยาลัยสองอื่นพมก็ไม่อยอนผมบอกว่ามันเป็นฟองสบู่เราต้องค่อยๆเติมโตมาปีนี้ครับจบปริญญามหาจุลาเนี่ยสี่พัน้าพัน แต่ของมหาวิทยาลัยที่ว่า 5,000 ันเนี่ยเหลือหนึ่งพไม่ถึงสองพันโดนไล่ปิดหมดพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปว่าใครอย่างไรแต่ท่านต้องการให้ท่านคิดและเห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมันต้องมาจากคุณภาพเปิดปริญญาโทเป็นนอกเคศปริญญาเอกเป็นนอกเคศแต่ไม่มีคุณภาพมันทำลายตัวเองครับ มหาจุลาต้องไม่ทาและผมก็ยืนหยัดไปอย่างนั้นเพราะไม่ต้องการให้เข้าวงจอรอุบาทอย่างที่เศรษฐกิจไทยมันเป็นฟองสบู่การศึกษาฟองสบู่เอาปริญญามาหลอกขายกันมีประโยชน์อะไรท่านไม่ได้ความรู้ผมไม่เอาต้องเรียนจริงจบจริงต่อให้เอาเงินมาให้ก็ไม่เอาไอ้จ่ายครบจบแน่ผมไม่ให้เอา และมันจะทำลายตัวมันเองเหมือนเศรษฐกิจไทยนะครับที่ไม่รู้จักพอเพียงไม่รู้จักควบคุมทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ครับเพราะคำว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยอี onomics มันไม่มีระบบศีรธรรมท่านยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังอีก onomics หมายถึง the study of how to use limited resources to s a t i f y unlimited human wants แปลว่าอะไรครับ วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อสนองความต้องการที่ไม่จำกัดผมยกตัวอย่างง่ายๆครับของในโลกนี้มันมีจำกัดทท้งนั้นแหละครับแต่ถ้าเอามาใช้อย่างฟุ่มเฟือยตามเจตนาไอ้ตามตัณหาของมนุษย์หรือนะครับมันไม่มีทางพอหรอกครับทุกอย่างมันจำกัดหมดยกตัวอย่างครับ น้ำมันใต้ดินครับน้ำมันที่เราเอามาใส่รถยนต์เครื่องบินอะไรต่างเนี่ยเป็นล้านปีนะครับกว่าธรรมชาติมันจะผลิตมาให้เรามันอยู่ใต้ดินกว่าจะกลายเป็นน้ำมันตอนนี้เราเราเอามาใช้เรียบเลยครับถ้าเราใช้ในระดับนี้ครับห้าสิบปีข้างหน้าจะไม่มีน้ำมันใช้เอามาจากใต้ดินหมดน้ำมันจะกลายเป็นเพชรเลย ห้สิบปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาจึงเรียกร้องอะไรครับพลังงานทดแทนครับอย่าใช้น้ํามันมากนะักใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้พลังงานกังหันลมเป็นต้นไม่งั้นมันจะหมดมหาจุฬาที่ผมวางแผนว่าให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับกล่าวว่าในฝายนี้ครับซ้ายมือนี่นะ จะเอาแผงโซล่าเซลล์นี่ขึ้นหลังคาให้หมดตอนนี้กำลังสร้างครับแผงโซล่าเซลล์เนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยนะครับจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์มาชนเฉยช่วยโลกครับฝั่งนี้คงเอาไว้อย่างนี้นะครับกระเบื้องเหลืองๆนี่แหละแต่ฝั่งโน้น ต, ต่อไปจะต้องมีครับถ้าเศรษฐศาสตร์ มันพยายามผลิตสินค้าและบริการกระตุ้นความโลภของมนุษย์แล้วท่านว่ายิ่งยิ่งยิ่งโลภยิ่งดีงครับมันจะได้ขายของได้คนยิ่งรวยคนขายอะ่ะแล้วเมื่อไรครับมันถึงจะพอเพียงครับแสดงว่าเขาไม่ได้เอาคุณธรรมมารวมกับเศรษฐศาสตร์เรื่องความพอเพียงเขาไม่พูดเขาพูดแต่กระตุ้นความโลภเศรษฐกิจความโลภท่านนึกออกยังครับ ของในหลวงราชการที่9้ามันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแต่วิชาเศรษฐศาสตร์รของโลกมนุษย์เนี่ยมันเป็นเศรษฐศาสตร์รไม่พอเพียงขืนให้คนรู้จักพอแล้วมันจะขายของไม่ได้ไปดูลูกศิษย์ลูกหาเราไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมันใช้โทรศัพท์ยี่ห้อนี้เมื่อสิบปีตอนนี้มันมีเวอร์ชั่นใหม่ทั้งๆ ท, ที่ยังใช้ได้มันก็บอกว่าตกรุ่น หมดสมัยเฉยมันต้องไปหาเงินจะด้วยวิธีไหนก็ได้เอามาซื้อโทรศัพท์ล่าสุดราคาสามหมื่นขึ้นไปในขณะไอ้ที่ดีๆเหมือนกันตกรุ่นไปแล้วเหลือหมื่นหนึ่งมันไม่ซื้อครับถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไอ้สามหมื่นมันจะข า, ขายได้เหรอเพราะฉะนั้นในทุนหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจว่า อย่าไปพูดมากผมเคยถามรายการธรรมะว่าทำไมต้องไปอยู่ดึกๆตีหนึ่งตีสองเนี่ยโอ้โหเปิดแล้วเจอในการตีสามเนี่ยเจอธรรมะคนส่วนใหญ่ ร, รยยับแต่รายการธรรมะเกิดเพราะว่าเวลาที่ดีๆแพงๆเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ มันจ่ายให้เราจัดรายการธรรมะสองทุ่มสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกทานเพราะอะไรครับจึงไม่มีสปอนเซอร์ผมก็ถามเขาอีกเขาบอกว่าท่านขืนเราไปอุปถัมภ์รายการธรรมะนะแล้วคนมาดูรายการเราเยอะๆเลยยิ่งดูยิ่งปล่อยวางยิ่งลดกิเลสขายไม่ออกท่าน สิ้ค่าขายไม่ออกนี่เขตาตอบมนจริงแท้ย่างไรไม่รู้นะก็เลยอยู่กันตีสามตีสี่่าจะชมผมนะออกทีวีนะตีสามตีสี่คนแก่ๆนอนไม่หลับได้จำผมได้เยอะ <c oughs> เศรษฐกิจพอเพียงสรุปนะครับเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ย มีการลงทุนมีการผลิตการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเน้นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศกระตุ้นความอยากไม่รู้จบและเมื่อกระตุ้นความอยากไม่รู้จบทำยังไงประเทศไทยไปกู้เงินเขามาใช้ครับเป็นเหตุให้เศรษฐกิจตกในปี2อ4 0ร้อยสี่สบทีนี้มาเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธบังพุทากับเศรษฐศาสตร์เรา ทำอะไรบ้างครับ 1. ต้องเข้าใจธรรมชาติธาตุแท้ของมนุษย์ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วสอนวิธีดำรงชีวิตดำรงเ ศ, ษศรษฐศาสตร์เนี่ยนะให้มันสอดคล้องกับธรรมชาตินั้นไม่ได้ฝืนธรรมชาติของมนุษย์ 2. เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธบุติสิทิคอนมิกเนี่ยเป็นสายเศรษฐ ศ, รรศรราสตร์สายกลางสา เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธสายกลางคือส่งเสริมทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ด้วยในสามข้อนี้นะครับผมจะพูดไปตามลำดับว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไปด้วยกันอย่างไรข้อแรกครับเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เซษศาสตร์ของชาวโลกเนี่ยเขาก็เข้าใจเหมือนกันเขาก็ไปกระตุ้นตัณหาไม่รู้จบพระพุทธเจ้าตรัสว่านัททีตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำยังมีวันเต็มฝั่งแต่ตัณหาไม่มีวันเต็มถมเท่าไรไม่รู้จกเต็มนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เซทศาสตร์แนวพุทธคือ ศึกษาแนววิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์เน้นคำว่าประโยชน์สุขอัดทักประโยชน์สุขขาดความสุขเมื่อทรัพยากรมันมีจำกัด น, น้ำมันมีจำกัดแม่น้าป่าไม้มีจำกัดอย่าไปตัดขายให้หมดสิปลูก เอาไปใช้ให้ประโยชน์สูงประหยัดสุดได้ความสุขอัดถายะสุขายะอัดถายะฮิตายะสุขายะเราผลิตเพื่ออะไรเพื่อให้ไม่ได้ประโยชน์เราบริโภคเพื่ออะไรให้ได้ความสุขแล้วทำไมจะต้องมาทำจนกระทั่งเหลือกินเหลือใช้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมตัดไม้ทำลายป่า ใช้ของฟุ่มเฟือยหรูหรามากเกินความจะเป็นโดยเป็นหนี้เป็นสินมันสุขตรงไหนอินาทานังทุกขังโลเกเป็นหนี้เขานะ่ะมันเป็นทุกข์ในโลกเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเนี่ยคุมตันหาให้อยู่และเป้าหมายอยู่ที่ผลิตอะไรก็ตามให้ประโยชน์และให้ความสุขท่านจะเรียนวิชาอะไรดี เรียนแล้วไปทำประโยชน์ทำความสุขเหมือนที่พะ ร, ระพุทธเจ้าสมัยวจนัาพิโกยจาริกังภนู่ชนะอิตายะภูจชนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะพระทั้งหลายจงจาริกไปตามโรงเรียนต่างๆไปสอนนักเรียนวิชาพุทธสนาในโรงเรียนเพื่อประโยชน์หิตาประโยชน์เกื้อกูลอัฐะเพื่อประโยชน์โดยตรงและสุขะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ทคำว่าฮีตะกับอัฐะมันไม่เหมือนกันนะครับเรามักจะแปลประโยชน์เกื้อกูลเวลาที่เราทําประโยชน์เนี่ยนะอัฐะนี่เป็นประโยชน์ตรงแต่ฮีตากนี่ประโยชน์อ้อมกับประโยชน์เกื้อกูลเช่อนอย่างไรครับผมนิมนต์ท่านมาประชุมสัมมน า, าเพื่อให้ไปสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงนี่ผมก็ไล่า ย, ยาวมาว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรตามทันบ้างไปทันบ้างไปอะไรครับเรามีเทพบันทึกไปผมไม่ได้ไม่ได้หมายความหวังว่านะครับท่านทั้งหลายจะไปรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปพูดได้อย่างผมแต่มันจะเกื้อกูลให้ท่านไปศึกษาต่อให้ท่านไปดํารงชีวิตให้ไปทําอะไรก็ได้หรือไปสอนเด็กต่อไปให้เกินความพอเพียง ตัวท่านเองอาจจะพอเพียงอยู่แล้วผมสอนท่านเพื่อไปกู้เกื้อกูลให้นักเรียนให้ญาติโยมนี่รู้จักพอเพียงต่ำประโยชน์ที่ได้มันจึงอ้อมวันนี้เราต้องการหิตะประโยชน์เกื้อกูลเพื่อให้ท่านไปสอนได้ดีขึ้นถ้าท่านไปสอนก็โอเคไม่สอนอก็ไม่ได้ประโยชน์ มหาตรรมคันธีครับเขาบอกว่าโลกมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่เพียงพอต่อความโลภของมนุษย์ทุกคนถ้าเราอยู่กันอย่างพอเพียงอย่างมหาตามะคันธีว่าเอาแค่นี้ก็พอกินแล้วเข้านี้ก็พอใช้แล้วเนี่ยนะครับไม่เกิดสงครามหรือครับ แต่ที่มันเกิดสงครามเพราะความโลภอยากไปแย่งของเ้าอยากไปอะไรต่างๆมีหนึ่งไม่พอจะเอาสองเอาสามเท่านี้ไม่พอในที่สุดเมื่อมันไม่พอมันก็เกิดความการเบียดเบียนกันความโลภทําให้แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิษสวัส์แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่อาหารการกินเนี่เรากินกันแค่นี้แต่ทําไมต้องไปโอโหูยุทธของคนอื่นมาเยอะแยะเพราะ ความโลภทำให้โลกนี้เท่าไรก็ไม่พอท่านอ่านเรื่องมหาหัง ส, สวรนะหสชาดกไหมครับที่หงใคไข่เป็นทองคำให้ลูกสาวกับภรรยาในดิฉะได้เอาขนไปใช้ไปขายขนทองคำปรากฏภรรยาในดิ ต, ติที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับโลภจับถอนขนหมดเลยขนกลายเป็นสีขาว สรุปว่ายัางไงครับคนเราควรจะยินดีสิ่งที่ได้มาโลภอติโลโมหิปาปโกโลภเกินไปไม่ดีทีนี้มาถึงปี 2,141 ละผมพูดถึงธรรมะเรื่องของเคธเรื่องเศรษศาสรเชิงพุทธมาแล้วในหลวงได้มีพระราชดำรัสในแนวเดียวกับเศรษศาสรเชิงพุทธแนวพุทธ หลังจากเศรษฐกิจตกของไทยเนี่ยตกในปี240พระราชดำรัตที่พูดถึงพอเพียงอย่างชัดเจนคืออย่างนี้พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคำว่าพอก็เพียงพอเพียงนี้ก็พอดังนั้นเองคนเราถ้าพอในความต้องการนี่ผมอ้างมานะครับก็มีความโลภน้อยเห็นไหมที่วัานนาัทีตันหาสมาณทีนี่มาปรากฏอยู่ใน ความโลภดยความอยากถ้ามีความต้องการความอยากน้อยก็โลภน้อยเมื่อโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยนี่เป็นพระราชดำรัสในหลวงราชการที่9ในปี2474มีพระราชดำรัสว่าถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตง่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขเป้าหมายของคําว่าพอเพียงคือต้องพอประมาณไม่สุดโต่ไม่โลภมากและเราจะอยู่เป็นสุขเป้าหมายของเศรษฐศาสตร์คือแนวพุดคือเป็นสุขเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสุขพอเพียงอย่างไรให้พอเพียงนะครับสรุปธรรมะสามข้อท่าน ในปรั ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราถอดมานึงมัดตันยูตาพอประมาณเป็นปรวิสัยปรัวิสัยหมายความว่าย่งไรได้วัดได้ประเมินได้ท่านพอประมาณเนี่ยเช่นเด็กมันกินข้าวก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามมันวัดได้ครับมันอิ่มมันเต็มกระเพาะคนโตขึ้นมาสองชามคนว่วนอาจจะสี่ชามอันนี้มันวัดได้ด้วย มัตันยูตาคือรู้จักประมาณในความกอดีเป็นประวิสัยคือใครก็ประเมินได้แต่พอใจคือสันโดษนี่เป็นอันตราวิสัยครับใครพอใจหรือไม่พอใจมันเป็นเรื่องส่วนตัวประวัดิไม่ได้ครับบางคนพอใจกับน้ำหนึ่งแก้วบางคนพึ่งแก้วบางคนหยดเดียวของไม่เท่ากันครับ แต่รู้สักรู้สึกมีความสุขน้านิดเดียวก็มีความสุขได้แบ่งปันให้คนอื่นนี่คืออัตตาวิสัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท่านต้องคำนึงถึงว่าเราพูดในมุมมองของความรู้สึกพอเพียงหรือมุมมองของพอประมาณมุมมองของพอประมาณหมายถึงเป็นเรื่อ ง, ออ ง, ท, อองที่วัดได้ประเมินได้เรามีเงินหนึ่งรบาท พอประมาณคือซื้อของได้สมมติก๋วยเตี๋ยวได้หนึ่งชามหรือสองชามเงินหนึ่งร้อยมันก็พอประมาณคือซื้อได้หนึ่งชามเอาเหลือเป็นค่ารถกลับบ้านแต่ถามว่าสันโดษพอใจในหนึ่งชามไหมไม่พอใจก็ได้อาจจะไปกู้เข้ามาสองร้อยเป็นสองร้อยเพื่อจะซื้อสี่ชามก็ได้ มันไม่เกิดความพอใจซึ่งเป็นอันตตาวิสัยสุดท้ายครับข้อที่สามพอดีคือมัชชิมาปฏิปทาคือสายกลางสายกลางหมายถึงให้ทั้งความพอประมาณความพึงพอใจและก็ความพอดีเศสสตรมัชชิมาคือ พัฒนาทั้งกายทั้งวัตถุครับสรุปแล้วให้สี่ด้านครับหนึ่งกายยภาวนาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองจะต้องไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมตัดไม้ทำลายป่าผมอยากจะเห็นวัดว า, ารามเนี่นะครับมีระบบระเบียบมีมาสเตอร์แปลงสร้างวัดให้มันสวยงมไม่ใช่สร้างด้วยความโลภครับสร้างด้วยความโลภคือยังไงครับคนเอาเงินมาให้ท่าน เอาเงินมาให้แล้วให้ท่านสร้างอาคารอะไรก็ไม่รู้ตามวัตถุประสงค์ของเขาแต่มันไม่ได้มีหน้าตาที่เข้ากันได้กับกุฏิวัดเลยครับหรือศาลาการประเรียนเลยออกแบบตามเขามันไม่ตรงกับมาสเตอร์แพลนหรือแผนใหญ่ของวัดครับโลกคือโยมเขาถวายส่วนตัวด้วยเอามาสร้างตรงนี้ด้วยเก็บอัฐิ เต็มไปหมดรอบโบดรอบอะไรต่างๆเนี่ยพัฒนาวัดด้วยความโลภสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงครับทุบทิ้งก็ยังไม่ทําไม่ได้เพราะเจ้าภาพเขายังอยู่มารุ่นเราเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเพราะฉะนั้นเวลาพัฒนาวัดกายยามภาวนาสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องมีแผนให้งนงานยามมหาจุฬาในผมจะบอกให้คนชอบเอาเงินมาให้แล้วมาสร้างอาคารตรงนั้นตรงนี้ผมไม่เอา ถ้ามันไม่เข้ากับมาร์ต์เชอร์แพลนของเราแล้วผู้บริหารเราก็จะเห็นแก น, น้าใจอ่อนมากเออเอาเงินมาแล้วเอาสร้างตรงนั้นตรงนี้ผมไม่ให้หรอกครับจะมาสร้างตรงนั้นตรงนี้ผมมีเงินเยอะผมก็ไม่เอาต้องเป็นไปตามแผนแม่บทและประกาศเป็นนโยบายด้วยถ้าท่านไปทำโดยไม่ไม่ตามใจความโลภความอยากได้อยากอะไรก็ตามเปลี่ยนใจญญายากยบ ในที่สุดมันจะไม่เหลือมหาจุฬาก็จะไม่เหลือความงามอย่างนี้หรือครับสีละภาวนาพัฒนาไปเพื่อสังคมเราได้เงินนะครับเอานักท่องเที่ยวเสื้อผือนหมอนใบเนี่ยนะครับจากต่างประเทศแบกเป้มามาสู่กันชาสมมุติมีประโยชน์อะไรภูตาลไม่เอานะครับ พวกที่ไปทำลายระบบสังคมเนี่ยไม่เอาจะต้องภูตานี่จะต้อ ง, นนองมีเงินไปเที่ยวเพื่อคุณภาพระบบสังคมไม่ถูกทำลายและเราพัฒนาประเทศของเราโดยไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมทางจิตใจการพัฒนานั้นมีประโยชน์อะไรไม่มีเรื่องาศาสนาไม่มีเรื่องวัฒนธรรมไม่มีเรื่องศิลธรรม ต่อให้ร่ำรวยมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันครับสุดท้ายปัญญาภาวนาการพัฒนาด้วยเพื่อให้เกิดระบบสติปัญญาไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามครับการศึกษาไม่ส่งเสริมการพัฒนาปัญญาเราไปช่วยสอนในโรงเรียนต่างๆแต่ให้ความงงงายให้ไสยศาสตร์มันไม่มีประโยชน์ครับถ้านจะต้องพัฒนาทั้ง สรุปแล้วไปในโรงเรียนนี่ผมเห็นท่านมาแสดงเนี่ยนะครับเรื่องสิ่งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเด็กเขาทำปุ๋ยทำกายภาพปลูมต้นไม้แล้วระบบสังคมแะครับวิในในสังคมข้อสองเนี่ยท่านทำอะไรที่ทำให้เด็กมันทำเหมือนเหมือนกันแล้วข้อสพัฒนาจิตใจมีสติมีสมาธิเรียนเก่งกว่าเดิมมีผลสมริทีดีขึ้น ท่านได้แสดงบ้างไหมในอเมริกาทุกวันนี้นะครับบางรัฐนี่สอนเรื่องสติอย่างเดียวเลยให้เด็กเนี่ยมีความจําดีขึ้นให้เด็กนี่ความรับพฤติดีขึ้นเข้ากับเพื่อนได้ดีขึ้นเผ<อ>ยแพร่ไปทั่วโลกครับสีเ น, เนียนถาวผมจะได้อ่านข่าวผมถามว่าพระที่ไปสอนในโรงเรียนได้ทําตรงนี้อย่างไรและเป็นต้นแบบตรงไหน ถ้าท่านไม่เชื่อผมให้ใครแปลจากเซเลนก็ได้ผมถึงเป็นห่วงไงครับว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเด็กเราความจำดีขึ้นไหมพัฒนาบริหารจิตเจริญปัญญาเนี่ยเรียนเก่งขึ้นไหมมีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าท่านคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยแะช่วยกันคิดมหาจุาลาเนี่ยนะครับไม่ใช่แ จ, ะ จ, ะจดจัดส่งเงินมาอย่างเดียวท่านจะต้องพัฒนาหลักสูตร ร, ร่วมกันพัฒนาหลักสูต ร, รที่ไหนทาได้ดีเอามาแบ่งกันใช้แบ่งกันทา ไม่มีประโยชน์อะไรครับที่จะไปสอนเสียเงินเสียทองโดยที่ไม่มีในยะในการพัฒนาเหล่านี้ข้อสุดท้ายข้อสี่ในเรื่องของการพัฒนาปัญญาเดี๋ยวนี้เขาสนใจเรื่องนวัตกรรมนวัตกรรมคืออะไรโรงเรียนวิถีพุทธจะมีนวัตกรรมที่จะช่วยประเทศชาติได้อย่างไรในในยุคนี้ท่านไปว่า ก, กันเองปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับในปีสองพร้อยสี่สิบ เราได้เอาไปใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบับที่แปของประเทศไทยครับและใช้มาจนปัจจุบันเป็นนโยบายของชาติแต่ผมถามหน่อยเถอะมันไปอยู่ในแผนระดับสภาพัน์แต่เวลาแปลมาสู่ภาคปฏิบัติมันแปลอย่างไรยังหาไม่เจอครับซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศภูตางซึ่งผมจะเล่าให้ฟัง เขาไม่อยู่ในแผนอย่างเดียวนะครับเขาเอามาสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดในระดับตำบลและแม้กระทั่งถ้ามีครูพระสอนทิธนทำเขาจะให้ชุดมาเลยครับเราไม่ต้องมานั่งพูดกันอย่างนี้หรอกครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรครับสภาพัฒน์เอ่ยกับสูงศึกษาเอ่ยเขาจามีมาให้พระเสร็จเลยเขาแปลมาสู่ภาคปฏิบัติหมดและถ้าโรงเรียนไหนไม่ทาไม่มีวัดไหนไม่มีถือว่า ไม่ดําเนินตามสักเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศภูตานครับผมจึงมีความรู้สึกว่าประเทศเรามันยังไม่ไปไหนมันไหนเพราะผมก็พูดเรื่องนี้มานานานานเลเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะผมไปพูดในต่างประเทศท่านผมเตรียม PowerPoint ไม่ทนันผมก็เอาภาษาอังกฤษมาให้ท่านผมไปพูดที่ไหนล่ะครับนี่ครับผมจะให้ท่านดูเป็นนี่มีการประชุมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศภูตานเมื่อสองปีที่แล้วครับ ผมไปปาฐกถาที่นั่นเรื่อง GNS ความสุขมวลรวมของประเทศคนที่นั่งสนทนากับผมนี่ผมชั้นลึกอารมณ์นี่นะครับคือใครครับแต่งตัวเหมือนพระนะ่ะนายกระทรวรีภูตานครับเขาอยู่ยังพอเพียงนายกครับคนนี้นายกกระทรรีครับไม่ใช่พระครับคาราดนี่แหละ และนี่คือกษัตริย์นครับกริย์จิกมี่วังชุกองค์ปัจจุบันแล้วเวลาเราประชุมกันเสร็จนะครับถ่ายรูปบู่ท่านดูวังที่ไหนครับมีต้นไม้อยู่กับธรรมชาติกษัตริย์คือองค์นี้ครับนี่นท่านดูแยกไม่ออกเลยนี่จะมีสังคติสีเหลือบเนี่ยคือกษัตริย์ครับ ผมอยู่นี่ครับถามว่าภูตานเนี่ยเวลาเขาประเมินเศรษฐกิจพอเพียงของเขาเขาเรียกอะไรครับเขาเรียก Gross National Happiness ความสุขมลลวลรวมของประเทศพัฒนาประเทศไปทำไมถ้าทำให้คนมีความทุกข์เขาไม่เอาอัฐายาสุขายาเนะ่ พัฒนาต้องเพื่อประโยชน์สุขไม่ว่าจะอะไรก็ตามขอให้คนมีความสุขถือว่าใช้ได้หมดและเขาก็มีตัวชี้วัดครับความสุขของคนภูฏานพัฒนาโดยสี่เรื่องครับเนื่องจากผมไปปาักาลยเป็นภาษากฤผมก็แปลเป็นไม่ทันนะครับผมจะแปลเป็นภาษาไทยฟังเขามีสี่เรื่อง เวลาเอาไปใช้เป็นแผนของชาติเนี่ยเรื่องที่หนึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนพัฒนาอะไรไปก็ตามในปูตานต้องเป็นไปเพื่อความยั่งยืนสองรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่านทราบไหมครับในรัฐธรรมนูญของปูตานนี่เขาเขียนไว้ว่าต้องรักษาป่าไม้ไว้ร้อยละ70ของประเทศพื้นที่ในประเทศ 170เจดสิบครับผมถามนายก ร, รัฐมนตรีว่าตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วป่าไม้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยรักษาป่าไม้เขาบอกได้ร้อยลแปดสิบครับเกินเป้าในรัฐธรรมนูญประเทศไทยมีป่าไม้ร้อยแล้วเท่าไหร่ครับไม่ถึงส0มสิบครับของพื้นที่ทั้งประเทศ preservation of culture รักษาวัฒนธรรมรักษาวัฒนธรรมนี้อนุรักษ์วัฒนธรรมนั้น เรื่องศาสนาสำคัญมากเขาประเมินอย่างไรครับเขาจะประเมินว่าปีหนึ่งท่านไปวัดกี่ครั้งผมเห็นหนี่แบบสอบถามปีหนึ่งไปวัดกี่ครั้งท่านเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่สี่ห้าข้อท่านรักษาได้กี่ข้อเป็นต้นนะครับแล้วข้อที่สี่ครับ Good Governance แปลว่าธรรมาพิบาลคือไม่ทุจริตครับ การทุจริตโกงบ้านโกงเมืองเป็นสิ่งที่ขัดกับนโยบายการพัฒนาของภูตางผมถามว่าสิ่งที่ประเทศไทยกําลังพูดวันนี้เนี่ยพอเพียงมีวิัยสุจริตจิตอ า, าสาสี่หลักพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม มีวิในก็ดูแลเรื่องวัฒนธรรมเรื่องวิถีชีวิตเรื่องสุจริตคือโกดกวันเนสครับธรรมะพิบาลไม่โงบ้านโกงเมืองจิตอาสาคือความสุขและคนไทยเคยมีน้ำใจอันวิสัยคนไทยแต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับเมืองไทยเป็นสยามเมืองยิ้มจิตอาสาดีมากเหลือเกิน มันหายไปครับเราเคยเปดินแด น, นเห็นความสุขสยามเมืองยิ้มมันหายไปไหนสี่หลักนี่นะครับที่เรามีเนี่ยถามหน่อยว่ามันอยู่ในแผนชาติเนี่ยจะลงมาสู่ระดับบ้านเมืองได้อย่างไรในภูตานนะครับเขาไม่ได้เขียนไว้ในแผนชาติอย่างเดียวครับปีนี้เขาให้จังหวัดทำแผนด้วยว่าสี่เรื่องนี้คุณจะมีแผนทาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ผมอยากจะเห็นอย่างนี้ครับมหาจุฬานี่ลองทําแผนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนิดของมหาจุฬาถ้าแน่จริงครับฝ่ายฝ่ายครูพระสอนสิ่ธรรมไม่ต้องมานั่งสัมมนายอย่างนี้หรอกทาแผนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นคู่มือให้ครูพระสอนสิ่งธรรมเนี่ยไปสอนทุกโรงเรียนหรือไหนไหนท่านก็มากันแล้วเนี่ยท่านมาช่วยทําให้หน่อย เพรลองอธิการบดีทั้งหลายท่านก็ยุ่งผมก็ยุ่งไหนไหนใครไปสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ไหนบ้างเอามารวมกันไหนไหนท่านก็เสียเวลาสัมมนาทั้งสวันมารวมกันและทําแผนการสอนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งกิจกรรมทั้งการประเบินและจะสร้างวัฒนธรรมให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงมีวิในสุจริตจิตอาสามีความสุขเรีย่างไรลในโรงเรียนของท่าน เมื่อทำที่นี่ในภาคกลางเสร็จไปทำในภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอะไรก็ตามนะครับให้ครบแล้วเอามารวมเป็นชุดการสอนใหญ่มันก็จะคุ้มกับเงินที่เรามาใช้สัมมนานผมเป็นคนทำอะไรต้องงหวังผลอย่างนี้ครับไม่งั้นผมไม่มาสร้างมหาจุฬาให้เหนื่อยหรอก สุดท้ายครับข้อสเราต้องคำนึงถึงอริยทรัพย์ภายในด้วยให้คนพอเพียงแต่มันโลภเพราะมันไปเห็นคุณค่าของภายนอกมากกว่าภายในถ้าเรามีธรรมะในใจแล้วมีความภาคภูมิใจเราไม่โกงครับถึงจนทนกัดก้อนกินเกลือ อย่าเที่ยวแล่เนื้อเถื่อพวกพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสั่์โซก็สอกใส่ท้องจับเนื้อกินเองความภาคภูมิใจมันทาให้พอเพียงทําให้หยิงทนงทําให้ไม่โกงบ้านโกงเมืองเราจะสร้างคนอย่างนี้ขึ้นมาได้อย่างไรพระพุทธศาสนาสอนความสุขสี่อย่างสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใจทรัพย์บริโภคสุขจากการไม่เป็นหนี้ สุขจากการทํางานที่สุจริตภูมิใจในความไม่เป็นหนี้บ้างได้ไหมพึ่งตัวเองเ่ยเราไปกู้หนี้ยืมสินมาไม่พึ่งตัวเองไม่อัตนาถาในที่สุดเศรษฐกิจเราก็ดิ่งเหวมาครั้งหนึ่งแล้วกับดับต่อไปผมว่าจะอยู่ในข้อ3นี่แหละเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ที่เราไปไม่ถึงไหนก็พัฒนาจริตกงบ้านโกงเมืองแล้วก็ยังมีความโลภสุขจากการบริโภคอย่างเดียวไม่หาทรัพย์ หาทรัพย์เยอะๆแล้วใช้น้น้อยมีรายได้มีรายจ่ายมีรายเหลือสุขมันเกี่มีใครพูดถึงนะครับผมพูดผมได้เย็นถึงว่าสันตุดถีปรมังทนังนั่นคือทรัพย์ภายในความไม่พอใจจนเป็นคนเค้นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ ต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนมีทำไมคนทุกวันนี้จึงไม่พอครับมีรถเล็กๆกระป๋องดูถูกตัวเองสมัยก่อนผมเห็นขับรถกระป๋องกันนะตูบาอาจารย์ในมหาวิเลยนะภูมิใจเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับรถกระป๋องไม่มีแล้วก็มียี่ห้อแพงๆท่านไปอินเดียครับมหาวิไลภารณสีศาสตราจารย์นะครับ สมัยผมไปเรียนเนี่ยปั่นจักรยานครับนิสิตคนไทยชี้ให้ดูนี่นี่สรารจาันปั่นจักรยานหัวล้อยะจนเราคิดแต่จะมีรถคันใหญ่เพราะอะไรเราคิดแทนญาติโยมด้วยเพราะถ้าเราจะไปสอนให้เขาพอเพียงเขาก็จะไม่พอเพียงเพราะอะไร เหตุที่คนทุกวันนี้มีความทุกข์ทั้งๆที่มีเงินมากกว่าสมัยก่อนเด็กหนุ่มสาวมีเงินมากกว่าสมัยก่อนว่าสมัยรุ่นเรานะครับแต่เด็กมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะท่านดูสามใบนี่นะครับถ้วยสามใบนี่อันนี้ถ้าแยกกันอยู่เราไม่รู้หรอกอันไหนใหญ่อันไหนเล็กแต่ถ้าท่านมาวางคู่กันท่านจะเปรียบเทียบ อันนี้ใหญ่กว่าเล็กกว่ากลมกว่ามีอะไรบ้าถ้าท่านทานฉันแต่มะนาวอย่างเดียวมันไม่เปรี้ยวเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าท่านไปกินของหวานก่อนแล้วลองมากินมะนาวมันจะเปรี้ยวกว่าเดิมครับเพราะอะไรครับเปรียบเทียบ คนเราที่มันทุกทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันนกน้อยทำลังแต่พอตัวให้พอเพียงมันเกิดไม่ได้เพราะว่าเราอยู่แค่นี้ขับรถคันนี้ไปในถนนไปเห็นไอ้คนอีกคนหนึ่งมันขับรถคันโก้มาแซงหน้าเราเรากินฝุ่นมันไม่พอใจนะครับมีคู่ครองอยู่ไม่สวยเลยสู้ของเพื่อนบ้านไม่ได้โลภไหมครับฉะนั้น ยกข้อมูลข่าวสารเพิ่มความทุกข์ในเชิงเปรียบเทียบให้กับมนุษย์แต่คนที่อยู่ในหุบเขาอย่างกูตานนี่นะครับเขาไม่ให้มีทีวีหลายช่องนะครับช่องเดียวและไม่ให้มีฮอลลีวูดบอยลีวูดอะไรต่างๆมากล้างสมองคนดูทีวีอยู่เรื่องเทศเรื่องสอนท่านไปลักกาที่ครับผมเพิ่งกลับมาพบประธานาธิบดีประธานาธิบดีแต่งชุดขาวเนี่ย นุ่งผ้าขาวประชุมก็แค่นี้แล้วรลังกามีอะไรวันวิสาขาบูชานะครับผมไม่เห็นมองเห็นมหาโหสพเลยทั้งเกาะเลยครับเกาะสีหลังกามีแต่ประดับไฟครับมีพุทธรูปมีมีภาพพุทธเจ้าไฟสวยๆแล้วก็มีบรรยายธรรมะครับเสียงพระเทศน์เลยนะ ทุกหมู่บ้านเลยไปไหนก็คนจะแห่มายืนดูไฟแล้วฟังพระเทศรถติดแล้วก็มาเลี้ยงอาหารกันแค่นั้นไม่มีมหหสพมอมเมอาใดๆทั้งสิ้นครับ <S <S รเศรษฐกิจพอเพียงไหมครับไปไหว้พระท่าเขี่ยวแก้วเปิดเพื่อให้ต่างประเทศได้ชมคนรังกาหลูข่าวแห่กันมาจนเบียด ต่างประเทศจะเป็นแ ต, แต่เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขาศรัทธามีความสุขบางทีเราไปรับเอาการพัฒนาเศรษฐกิจโฆษณาชวนเชื่อมองเมาท่านลองนึกดูนะเปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนชิ้นทีของเด็กหมดเลยแล้วจะตับมาเรื่องาศาสนาอยู่กันยางเรียบง่ายเนี่ยมันยากข่าน ที่พูดนี้ให้รู้ที่มาที่ไปอ่ะในประเทศจีนมีคนหนึ่งเขาเขียนไว้อย่างนี้เงินมากเงินน้อยพอใช้ก็พอจะเรจะงามดูได้ก็พอจะเท่าจะยาวแข็งแรงก็พอจะจนจะรวยอยู่ได้ก็พอเน้นเรื่องอะไรครับคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมผมไม่มีเวลาอธิบายแล้วนะคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียม เพราะฉะนั้นเราจะต้องสอนเรื่องคุณค่าแท้คุณค่าเทียมให้กับเด็กโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันมีไว้เพื่ออะไรครับสื่อสารมันไม่ต้องไปแพงมากรถมีเพื่ออะไรครับเดินทางมันไม่ใช่มาอวดสถานะทางสังคมสรุปแล้วเนี่ยนะครับถ้าอย่างนั้นครับเศรษฐกิจกพอเพียงทำให้คนขี้เกียจทำให้คนงอมืองอเท้าทาให้ไม่พัฒนาใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่ครับ เวลาบริโภคท่านให้สันโดษแต่เวลาทำงานท่านให้มีวิริยะมีฉันทะมีวิริยะมีจินตะมีวิบังษาเวลาทำงานต้องขยันขันแข็งต้องเอาจริงเอาจังแต่เวลามาใช้เงินให้รู้จักพอเพียงเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันอยู่ในขั้นของ การทำอะไรก็ตามลงทุนทำอะไรก็ตามอย่าไปทำจนกระทั่งล้มละลายและสองเมื่อได้มาแล้วรู้จักพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ให้มันถูกต้องมันชอบทำในขณะที่ผลิตต้องเน้นธรรมะฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาแต่ในขณะบริโภคให้สันโดษโภคทสุขสุขจากการบริโภคท่าน ให้รู้จักพึงพอใจมีความสุขของจะมากจะน้อยไม่สำคัญท่านราคาร้อยบาทกับราคาหนึ่งหมื่นอาหารมื้อเดียวเหมือนกันเนี่ยเก็บเงินเก้าพันนี่ไปแจกคนอื่นบ้างสิทำไมกินอยู่คนเดียวล่ะเนกาสีและระเตสุขขันกินคนเดียวไม่มีความสุขแบ่งปันครับผมไปที่สีลังกาครับในระหว่างทางผมจะเห็นในคนนี้เป่าครุยอยู่ประจำเป่าคลุย ผมก็เลยไปแวะกันคุยกัน okay. ร้านตรงนี้เป็นร้านพักครึ่งทางเหมือนกับที่บางปะกงเนี่ยนะครับเขาจะนั่งรถไปไหว้พระธาตุเขีียวแก้ ว, กวเนี่ยก็จะต้องมอีกระท่อมเนี่ยทางร้านค้าปล่อยให้หนายคนนี้เป็นเป่าุ่ยแกเป็นนวกดนตรีครับแกก็เป่าุ่ยให้คนมาฟังไม่ได้ตะตังนะครับแล้วแต่ใครจะไปทิปไม่มีเงินเดือนด้วย แกมีความสุขแกบอกแกจบปริญญามานะครับทํางานพอมีเงินมีทองแกก็หยุดแล้วก็มาเป่าดนตรีให้คนฟังเฉยๆไม่คิดสตางค์เขาพอเพียงครับเพราะฉะนั้นสุขจากการจ่ายซ้ำบริโภคอันทีสุขสิครับท่านจะต้องทํางานหาเงินเราเน้นเรื่องอันทีสุขให้มากๆครับนี่ท่านจะต้องขยันขันแข็ง เพื่อให้มีทรัพย์มีทรัพย์แล้วจ่ายทรัพย์บริโภคอย่าเพื่อโตคนเดียวต้องแบ่งปันจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นและอย่าไปเป็นหนี้เป็นสินและอย่าไปโกงบ้านโกงเมืองอย่าไปทุจริตผิดศีลธรรมเล่นการพนันอะไรต่างเท่านี้นะครับประเทศไทยเราก็ไม่ติดกับดักครับไอที่มันตกเหวครั้งที่แล้วเพราะเราไปโลคไม่ใช่ครับใบเน้นจากการบริโภคไม่เน้นการทํางานหาเงินให้มันมีเงิน แต่ไปเน้นเรื่อง ก, การบริโภคการจับจ่ายใช้สอยกู้เขามาก็เลยเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็พอใช้หนี้ไม่ได้ก็ไปทางทุจริตผิดศีลธรรมปรัช ญ, ญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องอยู่บนฐานแห่งเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเราถึงจะสอนได้ไม่ใช่ไปสอนดุยดุยด ย, ดยไม่รู้ว่าเ ศ, เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมันอยู่ในกรอบของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธตรงไหน และจะเสริมวิถีชีวิตให้มันมีธรรมะเป็นสัมมาอาชีวะทาอย่างไรทำเป็นแบบบทเรียนเีงครับเป็นแบบเรียนหนึ่งทำเป็นหลักสูตรสองทเป็นแบบเรียนเป็นชุดสื่อการสอนแล้วก็มีการประเมินผลมหาจุฬาทําให้ได้ก็จะคุ้มกับการที่เรามาสัมมนากัน4ครั้งครับยังเหลืออีกสองหรือสครั้งนี่นะครับ เพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกวันแรกเนี่ยผมจึงมาพูดในฐานะที่การบดีด้วยความหวังนะครับฝากพวกเราที่เกี่ยวข้องไว้ไม่อยากให้มันละลายเป็นอากาศสะท้านเพื่อมาคุยกันมาพูดกันเราพูดกันมามากแล้วครับลงมือทำํำอาไปสอนเด็กให้ได้และเป็นเป็นชุดสื่อการสอนให้ได้เป็นวิชาให้ได้เขียนให้ชัดเจนและในระดับพวกท่านยังไม่เท่าไรคารุศาสตร์ครับ ในวิชาพวกเหล่านี้ต้องมีตำราออกมาในสอนปริญญาเนี่ยนะครับมีตำราปริญญาศรษฐกิจพอเพียงตามในในเชิงเขาเรียกว่าในพุทธศาสนากับปริญญาศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีคำพีออกมามีตำราออกมาไม่รู้จะอะไรก็เอาถอดเทศที่ผมพูดก็ได้แล้วก็หลายๆท่านออกมาพูดออมาทํมามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นความคืบหน้าซึ่งจะไม่กลายเป็นอากาศสถท้าน และเมื่อรวมๆไอสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยนะที่เราพูดเราเลยก็คือศาสตร์แห่งพระแห่งพระราช า, พรร า, ชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับขอฝากทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ครับในที่สุดนี้ขออ้างคุณภสษีรัตนาตรัยและบุญบุญศรที่ทุกๆทุ ก, ท, ก, ท, กท่านทุกคนได้มาเพนให้เป็นไปจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะพลวะปัจจัยอานวยอวยพรให้กิจการในการ สอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนของทุกรูปทุกท่า น, นสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีมีความเจริญก้าวหน้าโดยปราศจากโโภุกโศโรคภัยอุปัตทวันตรายทั้งปวงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะพร ะ, ะปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปราถ น, น, นานั้นจบพันสําเร็จจบพันสําเร็จจบพันสําเร็จสมโมโนรถุงมาตรปราถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทิน